พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบเจ็ดลำดับที่ยี่สิบสี่โดยหลวงพ่ออินท า, ายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2556มีชื่อเรื่องว่าศิลปินสร้างบ้านวันนี้เป็นวันที่สบ 3. พฤศจิกายนพุทธศักราช2556วันที่17เป็นวันลอยกระทงเป็นวันหมดเขตกะถินเป็นวันสิ้นสุดของกะถินออกพรรษามาหนึ่งเดือนเป็นวันหมดหมดเขตกะถินวันที่17พฤศจิกายนห6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 แต่เมื่อวานนี่ก็หลวงพ่อได้ไปงานไปชุมเพลิงศพคุณแม่ยอดชาวดอนที่เท่าแกมานั่งอยู่ข้างๆที่มรณะตามอายุสังขารป่วยแต่ก็คุณโยมทั้งสองนั่นะทั้งสองตายายกลายมี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 เดี๋ยวคนนั้นก็นไปเดี๋ยวคนนี้ก็จากไปเราก็ไม่รู้อีกเมื่อไหร่เหมือนกันที่หลวงพ่อเคยพูดว่าขรานี้ตาข้าข้าวหน้าตาเองลักษณะอย่างนั้นอ่ะมันเป็นตาของใครแต่ละคนขรานี้ก็ตาคนหนึ่งเขาวนี้ก็ตาคนหนึ่งแต่ทุกคนก็จะต้องไปด้วยกันทุกคน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 ไม่มีเงินอีกต่างหากจากนั้นมาสร้างบ้านคนไม่มีเงินมาสร้างบ้านและก็ไม่มีศิลประอีกต่างหากมาสร้างบ้านคนโง่อีกต่างหากมาสร้างบ้านบ้านหลังนั้นก็ไม่สวยไม่งามแต่ถึงยังไงถามว่าคนคนนั้นมีศิลปะศิลปินไม่มีเงินก็จริงแต่มีศิลปิน เออมาก็ยังทำขึ้นมาก็ยังพอหน้าดูแต่ถ้ามีเงินด้วยมีศิลปินด้วยมีกำลังด้วยสร้างบ้านจะหรูหราโอา้อาสวยงามได้ดังที่ปรารถนาถ้าจะเปรียบเทียบคำว่าศิลปินหรือว่าผู้มีเงินก็เหมือนกับวิญญาณรูวใจของพวกเราสร้างบุญสร้างกุศลเป็นผู้มีเงิน เป็นผู้มีเงินร่ำรวยเกิดมาแล้วไปเกิดในที่รวยเลยแต่ว่ารูปร่างขี้ร้ายขี้เละเพื่ออะไรเพราะว่ากรรมตนเองได้กระทำไวนะ้ในอดีตเกิดมาก็มีแต่ความโมโหโกรธามีแต่ความไม่ยินดีในการทำของที่เร็ดสวย ง, งามด้วยอารมณ์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 มันไม่เหมือนรู ป, ปรธรรมรู ป, ปรธรรมเหมือนกับร่างกายเรามองเห็นกันได้รูปร่างกางตัวเสร็จสวยงดงามขี้ไลยขี้เลเรามองเห็นกันได้แต่ว่าใจตัวนี้น่มันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นแต่ว่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านมองเห็นท่านมองเห็นใจของใครเป็นยังไง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 สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้มองอันนี้ก็คือจิตวิญญาณเหมือนกันแนวความนึกคิดเหมือนกันแต่ถึงยังไงตาเนั่นแหละเป็นบ่อตาเนี่ยเป็นประตูสำคัญที่เราพูดไปแล้วก็มองดูมองดูสายตามีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องที่เราแสดงหรือเราพูดออกไปถึงจะพูดเป็นศีลเป็นธรรมก็เถอะอย่างที่หลวงพ่อได้พูด ในชาดกนั้นะแต่พูดให้พระเจ้าแผ่นดินฟังลือศีพูดให้พระเจ้าแผ่นดินฟังพระเจ้าแผ่นดินถวายบ้านสวยถวายบ้านสวยถวายวัวควายให้กับลือีแต่ฤือีท่านก็ไม่หลับเพราะว่าท่านเป็นลือศีท่านถวายคืนกับพระราชาแต่ลือี ไปพูดคาเก่านั่นแหละให้กับนายเจีวเรื อ, เ, อเพอไปขี่เรือเขาแล้วเนี่ยกลับไปอธิบายให้ฟังว่าเนี่ยการที่ท่านเจีวเรือเนี่ยท่านต้องใช้บทธรรมบทนี้บทนี้บทนี้พูดให้นายเจีวเรือนายเจียวเรือตบปากฤๅษีนี่แหละสรุปแล้วก็คือการพูดและการแสดงมันต้องดูการสถานที่บุคคลซะก่อน ถ้าบุคคลคนหนึ่งพูดออกไปก็เป็นที่ยอมรับแต่พูดอีกกลุ่มหนึ่งอีกบุคคลหนึ่งเป็นที่ไม่ยอมรับเพราะนั้นการพูดหรือว่าการแสดงทาเหมือนกันหลวงพ่อมาเปรียบเทียบอีกจุดนี้เหมือนกันแต่จะให้คนยอมรับทุกคนซะ ก, ก่อนีัค่อยพูดก็คงเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้อีกเหมือนกันแต่บางคนก็ยอมฟัง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 ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะนั้นการที่จะพูดหรือการที่จะแสดงธรรมให้กับคู่คนทั้งหลายฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องยากอยู่นะจตหายาดโยมลูกหลานอันนี้ก็เป็นแนวความคิดสำหรับพระลูกพระหลานต่อไปภายภาคหน้าไม่ใช่ว่าเราไปนะัดจตฐานที่ได้ฟังไม่ฟังเราก็พร่ำไปเรื่อยอันนั้นเปนว่าบ้า น, น้ำลายแต่ถ้าว่าพวกเราดูซะก่อน ดูซะก่อนว่าเออจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อสังคมต่อพวกของเราถ้าพูดไปอย่างนี้จะเป็นการโน้มน้าวจะเป็นการชักจูงจะเป็นการทําความเข้าใจกับในหมู่ในคณะของเราอันนั้นเราค่อยค่อยพูดค่อยแนแนวให้ฟังเมื่อแนแนวให้ฟังแล้วก็ถึงเขาจะไม่ฟังแบบฟังแบบทิ้งๆิควงางทิ้งทิ้ไกลไกก็ตามเลยนะแต่อีกสักวันหนึ่ง เมื่อเขาลํำลึกได้เออช่ที่ท่านพูดในวันนั้นน่ะประเด็นนั้นน่ะน่าน่าฟังน่าศึกษาแล้วก็เป็นมีเหตุผลมีประโยชน์สำหรับชุมชนและสังคมต่อข้าพเจ้าเองแต่ถึงใครจะไม่เป็นประโยชน์แต่เป็นประโยชน์สาหรับข้าพเจ้าเองนี่แหละอันนี้ก็คืออย่าง MP3 สลงพ่อก็เหมือนกัน เมื่อกี้ในะท่านอายการภาคทำมาพูดว่าเอ็มพีสามของท่านผมฟังตลอดเลยนะกระเป๋าใหญ่นะฟังตลอดเลยเอพอช่วงว่างช่วงไหนผมก็ฟังมันเป็นประโยชน์สําหรับผมจริงๆเพราะเป็นแนวความคิดเอเป็นแนวความคิดที่จะพูดให้กว้างขวางแนวหลายๆอย่างอย่างที่ท่านพูดเนี่ยหาฟัง ผมว่าหาฟังได้ยากแต่สำหรับผมนะแต่สำหรับคนอื่นผมก็ไม่ว่าแลแต่สำหรับผมมีประโยชน์จริงนี่แหละอันนี้ก็คือที่เราได้พูดไปหลวงพ่อได้พูดใน MP3 แต่ถึงยังไงหลวงพ่อฟังของหลวงพ่ออีกเหมือนกันนะเอ็มสชุดออกใหม่เนี่ยชุดแปดแผ่นเนี่ยหลวงพ่อฟังฟังดูแล้วอง ถ้าเป็นมวยนะมวยไทยนะไม่ใช่มวยสากลว่างั้นเถอะหลวงพ่อบอกแลวมวยไทยว่างั้นเอะเ อ, อ้างเหตุผลทุกทุกระดับเลยเ อ, เ อ, เ อ, ออกนี้ออกไปเพื่ออะไรทำไมเพราะเหตุใดจงพ่อฟังฟังแล้วนี่แหละอันนี้ก็คือท ร, รมกระึกคือนักนักเทศ แสดงธรรมไปโดนลำดับไม่ตัดลัดให้ขาดความอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแกล่ลาบเพราะเห็นแกย่ยศไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นนะในธรรมกระจึกแต่หลวงพ่อพิจารณาดูแล้วที่หลวงพ่อพูดไปใน m อ็ของหลวงพ่อเนะี่ยดูดูแล้วหลวงพ่อไม่ได้กระทบกระแทกผู้อื่นแต่กระทบก็คงจะกระทบกิเลสนะ กิเลสภายในใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็ทธรรมดาละ่ะกิเลสกับธรรมมันต้องกระทบกันเหมือนกับมุมมุมแดงกับมุมขาวลักษณะอย่างนั้นะธรร ม, มะเป็นมุมขาวแล้วก็กิเลสมันเป็นมุมดำใแล้วจะให้มันเหมือนกันได้ยังไงกิเลสกับธรรมเพราะฉะนั้นเราจะต้องพูดเรื่องธรรมชาระกิเลส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 มันไม่ดีอย่าง น, นูมันไม่ดีอย่างนี้มันหายอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าส่งเสริมกาไปมันจะเป็นอย่างูมันจะเป็นอย่างนีนนนองนนะ้อันนี้ธรรมะก็ต้องชี้ประเด็นประเด็นที่มันจะเสียหายหเกิดขึ้นนะนี่แหละอันนี้ก็คือธรรมะที่หลวงพ่อได้ฟังฟังดูแล้วนะเอมปีสามของหลวงพ่อที่ออกไปงานกระถิ่นนี่แปดแผ่นนะสตาญาติโยมลูกหลานนะฟังฟังดูนะหลวงพ่อบอกว่า หลวงพ่อฟังดูแล้วก็อืมีประโยชน์สําหรับผู้ใยในการศึกษานะใยในการศึกษาถ้าฟังใครได้ฟังแล้วก็หลวงพ่อคิดว่าจะเกิดประโยชน์สําหรับผู้ได้ยินได้ฟังไม่มากก็น้อยคําว่าน้อยเนะี่ยหลวงพ่อไม่อยากจะพูดเลยละ่ะถ้าฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความสนใจแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างมากทั้งคดีโลกและคดีธรรมสามารถที่จะประับปรปุง กายใจของผู้ได้ยินได้ฟังถ้าฟังข่าวเนี่มันเบื่อข่าวหน้าให้ฟังอีกจะไปฟังมากสรุปแล้วหลวงพ่อบอกว่าอย่าไปฟังมากถ้าฟังฟังมากๆมันเบื่อมันเบื่อแล้วก็เปิดฟังแล้วก็ปิดไว้ก่อนข่าวหน้าก็เปิดฟังอีกเปิดฟังอีกแล้วก็ข่าวหน้าปิดไว้ก่อนแล้วก็เปิดฟังถ้าฟังอย่างนั้นฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความสนใจ หลวงพ่อมั่นใจว่า MP3 หลวงพ่อเนี่ยจะเกิดประโยชน์สำหรับลูกหลานคณะสัตายาญาติโยมมากทีเดียวนะอันนี้เป็นการแนะนำเอ็านะลูกหลานคณะรัตยาญาติโยมนะฟังๆดูนะไม่ใช่หลวงพ่อขี้อวดขี้คุยเดังฟังๆดูกันแล้วกันนะเอารับพร อ, อนุโมทนาให้พร